บทที่ิบเอ็ดกรรมภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติกรรมและการเกิดภพใหม่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภาวะปัจจยาชาติเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติการเกิดใหม่ในมนุษยโลกเทวโลกหรืออบายภพจึงมีขึ้นด้วยอำนาจของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมดังนั้น การเกิดใหม่จึงเกิดจากกรรมซึ่งเป็นผลของความยึดมั่นอุปทานและความทยานอยากตัณหาอันเกิดจากการกระทบกันระหว่างอารมณ์หกกับอายตนะหกกล่าวอีกในหนึ่งคือเพราะมีอวิชชาและสังขารเป็นต้นในภพก่อนเป็นปัจจัยจึงมีวิญ ญ, ญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะ และเวทนาในพบปัจจุบันและด้วยตัณหาพร้อมทั้งอุปทานในพบปัจจุบันเป็นปัจจัยให้ทำกรรมใหม่กรรมจึงส่งผลให้เกิดพบใหม่อีกเปรียบเหมือนคนที่ก่ออาทยากรรมจนติดคุกแล้วก็ยังก่อคดีใหม่อีกหรือเหมือนคนที่เฝ้าสร้างหนี้ใหม่ให้พอกพูนก่อนจะชำระหนี้เก่าให้หมดสิ้น กรรมใหม่ที่บุคคลสั่งสมในชาติหนึ่งมีจำนวนนับไม่ท่วนเมื่อได้โอกาสที่เหมาะสมกรรมใดกรรมหนึ่งจะมาปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นในขณะใกล้าตายส่งผลให้ปฏิสนธิในภพถัดไปส่วนกรรมอื่นอาจส่งผลให้ปฏิสนธิไม่พบต่อๆไปตราบที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าหากกรรมที่สั่งสมมาจากภพก่อนมีกาลังมาก กรรมนั้นจะให้ผลปฏิสนธิก่อนกรรมในภพปัจจุบันโดยมาปรากฏเป็นกรรมกรรมนิมิตหรือในคตินิมิตในขณะใกล้ตายส่งผลให้ปฏิสนธิในทุขติภูมิหรือสุขติภูมิดังนั้นคติในภพหน้าจึงมีกรรมดียวหรือกรรมชั่วเป็นเครื่องกําหนดกรรมสามารถจําแนกเป็นสีประเภท ตามลำดับอำนาจของการให้ผลคือ 1. ครุกรรมกรรมหนัก 2. อาจินกรรมหรือพหุลกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆจนเป็นความเคยชิน 3. อาอสันกรรมกรรมที่ทำในขณะใกล้ตาย 4. ตกระตตากรรมกรรมที่สักแต่ทำโดยไม่ควรกล่าวว่า เป็นคารุกรรมเป็นต้นครุกรรมครุกรรมหมายถึงกรรมหนักมีอำนาจให้ผลเป็นลำดับแรกย่อมตัดกำลังของกรรมอื่นที่ส่งผลแล้วให้ผลปฏิสนธิเองคารุกรรมฝ่ายอากุศลได้แก่อนันตริยกรรมทั้งห้าคือ การฆ่ามารดาการฆ่าบิดาการฆ่าพระอรหันต์การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิตและการทำสงให้แตกกันย่อมให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิครุกรรมฝ่ายกุศลได้แก่การบำเพ็ญรูปชานและอรูประชานย่อมให้ผลปฏิสนธิใน รูปภูมิและอารุปภูมิแน่นอนดังนั้นทรบว่าปัญจานันตริยกรรมจึงหมายถึงกรรมอันเป็นบาปหนักที่สุดห้าประเภทที่ทำให้ตกนรกอย่างแน่นอนเช่นผู้ที่ฆ่าบิดาหรือมารดาก็ตามและโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามย่อมไม่สามารถบรรลุฌาน หรือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันได้แน่นอนนอกจากนั้นกุศลกรรมใดๆของเขาก็ย่อมไม่สามารถขัดขวางหรือช่วยให้พ้นจากอบายภูมิได้ดังเช่นในเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรู พระเจ้าอาชาติสตรูเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคตผู้ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นอันมากในขณะที่อัครมเหสีทรงพระกรันได้มีอาการแพ้ท้องอยากจะเสวยพระโลหิตจากพระพาหาของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระองค์ทรงทราบก็ทรงชักพระขันแทงที่พระพาหา เพื่อนำพระโลหิตให้พระนางเสวยลาวโหราจาร์ประจำราชสํานักจึงทำนายว่าโอรสในพระคันจะเป็นศัตรูแก่พระราชบิดาดังนั้นพระโอรสจึงได้นามว่าอาชาศัตรูแปลว่าผู้เป็นศัตรูกับพระราชบิดาตั้งแต่ยังไม่ประสูติฝ่ายพระอ克รมเหสีเมื่อได้ทรงทราบคาทานาย ก็ได้พยายามกำจัดทารกในคันแต่ด้วยกรมเก่าของพระราชาและพระโอรสจึงทำให้ความพยายามของพระนางไม่เป็นผลสำเร็จคลั้นเท้าเธอทรงทราบเรื่องจึงได้ตรัสห้ามทำอันตรายทารกเมื่อครบกำหนดพระนางได้ประสูตรพระโอรสซึ่งต่อมาเจริญพระชมนม์มาพรรษาเติบใหญ่และได้รับสถาปนาขึ้นเป็นองค์รัชทายาท ต่อมาภายหลังพระกุมารได้เกิดความเลื่อมใสในอิทธิริษของพระเทวทัตซึ่งได้เนรมิตตนเป็นกุมาร น, น้อยมีงูพันธุ์ที่เอวมาปรากฏต่อหน้าเจ้าชายอาชาศัตรูและก็กลับเพศเป็นภิกษุตามเดิมเจ้าชายอาชาศัตรูทอดพระเนตรเห็นเป็นอัศจรรย์เป็นธรรมดาของคนทั่วไปย่อมชื่นชมสิ่งอัศจรรย์ และมักจะเลื่อมใสผู้ที่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เจ้าชายอาชาติศัตรูจึงทรงมีความเคารพยกย่องพระเทวทัตเป็นอย่างมากและได้ทําอุปถากด้วยปัจจัยต่างๆพระเทวทัตเห็นโอกาสจึงดําเนินการตามแผนชั่วร้ายของตนโดยเข้าไปทุนยุยงให้พระราชกุมารปรองพระชนพระราชบิดาแล้วขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง ส่วนทางตนเองก็ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วจะปกครองแทนต่อไปเจ้าชายอาชาติสตรูเห็นดีตามอาจารย์จึงเข้าไปในพระราชวังเพื่อปลงพระชนพระราชบิดาแต่ไม่สำเร็จเพราะถูกอมาตจับได้เสก่อนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเหตุการณ์ได้ทรงสละราชสมบัติทั้งหมดให้กับพระราชกุมา เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสละราชสมบัติให้เจ้าชายอาชาติศัตรูท่านทรงดีพระทัยรีบแจ้งข่าวดีแก่พระเทวทัตแต่พระเทวทัตยังไม่พอใจกล่าวว่าพระราชสมบัติที่พระราชบิดาทรงมอบให้พระองค์นั้นหากทรงพิโรธเมื่อใดก็ยังทรงเอาคืนได้พระองค์ควรปรองพระชนพระราชบิดาเสีย จึงจะเป็นการแน่นอนทั้งยังแนะนำวิธีโดยให้จองจำพระราชบิดาไวา้และให้อดพระกาย า, ารไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้านอกจากพระราชมารดาพระนางได้รอบถวายอาหารพระเจ้าพิมพิสารด้วยวิธีต่างๆจนกระทั่งเจ้าชายอาชาติสัตรูทรงทราบจึงสั่งห้ามมิให้พระราชมารดาเข้าเฝ้า พระเจ้าพิมพิสารก็ยังทรงพระชนชีพอยู่ได้ด้วยการเดินจงกรมเจ้าชายอาชาติศัตรูจึงมีรับสั่งให้การระ บ, บกกรีดพระบาทด้วยมีดโกนทำให้พระราชบิดาไม่สามารถเดินจงกรมได้ตามคมพีอธกถากล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารต้องประสบวิบากเช่นนี้เนื่องจากในชาติก่อนเคยสวมรองเท้าเข้าไปในลานพระเจดีย์ และได้เหยียบย่มไปบนเสือที่ปูลาดไว้สำหรับภิกษุสงฆ์ด้วยเท้าที่ไม่ได้ล้างพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนมายุได้ประมาณ6 7พันษาในวันที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตนั้นเอง พระชายาในพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ประสูตรพระโอรสท้าเธอจึงทรงมีปิติยินดีด้วยความรักใคร่ในพระกุมารทรงระลึกถึงพระราชบิดาซึ่งถูกจองจำอยู่ได้มีรับสั่งให้ปล่อยพระราชบิดาแต่ก็สายเกินไปเพราะได้ทรงสิ้นพระชนไปแล้วต่อมาเมื่อได้ทรงทราบเรื่องจากพระราชมารดาว่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์อยู่นั้น พระราชบิดาได้ทรงทํานุบบำรุงพระองค์ด้วยความสเสน่หารักใกล้เพียงไรเท้าเธอก็ยิ่งทรงเป็นทุกขโทมนัตอย่างหนักยามราตรีก็ทรงกระวนกระวายบรรทมไม่หลับเพราะบาปหนักที่ทรงกระทาต่อพระราชบิดาและนิมิตของนรกได้มารบ ก, กวนพระทัยอยู่ตลอดเวลา พระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้ให้หมออาชีวกกมราพาัฒพาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งในขณะนั้นทรงประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์0 0รูปแต่เนื่องจากภิกษุทั้งหมดนั้นกำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ในที่นั้นจึงมีความสงบเงียบไม่มีผู้ใดพูดหรือเคลื่อนไหวมือหรือเท้าเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีพระทัยชื่นชมอย่างยิ่ง ทรงดําริว่าอุทยาพัท ธ, ธโอรสของเราจงมีความสงบเยี่ยงพระภิกษุเหล่านี้เถิดจะลอยพระองค์จะทรงวิตกกังวลว่าพระราชกุมารจะทราบว่าพระองค์ได้ขึ้นครองราชด้วยวิธีใดแล้วจะพยายามดําเนินรอยตามาการปรากฏต่อมาว่าความกลัวของพระองค์เป็นความจริงเพราะทั้งพระราชอโอรสและพระนัก ด, ดา ได้ขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนราชบิดาของตนพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงอานิสงส์ของการดำรงเพศเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาพระศาสดาได้ตรัสบรรยายคุณของการดำเนินชีวิตของสมณะว่าเป็นที่เคารพสักการะของล่าอุบาศกอุบาสิกามีศีลบริสุทธ สำเร็จโลกิยาฌานได้อภิญญากำจัดอสวกิเลสและบรรลุมรคผลหลังจากได้สดับพระธรรมเทศนาพระเจ้าอชาติศัตรูทรงมีความเลื่อมใสประกาศตนเป็นองค์อุปถากและหากพระองค์มิได้ทรงกระทำปิตุข้าดพระองค์จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ถึงจะไม่ทรงบรรลุธรรมพระองค์ก็ได้พบความสงบ และเมื่อสิ้นพระชนก็แคล้วคลาดจากการต้องไปรับกรรมในเอเวจีมหานรกซึ่งเป็นคติทั่วไปของผู้กระทําปิตุฆาตแต่เนื่องจากทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคจึงไม่ตกเอเวจีมหานรกเพียงตกไปในโลหะกุมพีนรกซึ่งเป็นนรกขุมที่ร้ายแรงน้อยกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูแท้จริงไม่ได้มีจิตใจห ย, ยาบช้า เพราะหลังจากที่ปรงพระชนพระราชบิดาแล้วได้ทรงสำนึกผิดและมีพระราชศรัทธาเลื่อมสายยิ่งในพระผู้มีพระภาคหลังจากพระาศาสดาเสด็จดับขันธปริณิพานแล้วก็ทรงกระทำสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่อีกทั้งทรงอุปถัมภการทาปฐมสังขยาแต่เนื่องจากการคบหากับอาจารย์ที่ชั่วร้าย จึงถูกชักนำให้ประกอบกรรมชั่วถึงกับกระทาปิตุฆาตเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ควรจดจำส่วนครุกรรมอีกสามประเภทคืออรหันตฆาตกระทาโลหิตุบาทและการทำสังฆเพทล้วนส่งผลให้ผู้กระทาต้องตกนรกเช่นกัน จินนกรรมกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ส่งผลปฏิสนธิคือกรรมที่กระทาบ่อยๆจนเป็นความเคยชินเรียกว่าพระหุลกรรมหรืออาจินนกกรรมการดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องตามคันลองศีลธรรมที่กระทาบ่อยๆหากไม่พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องก็จะกลายเป็นนิสยัยหรือความเคยชิน และให้ผลวิบากที่ไม่ดีในชาติต่อไปดังนั้นผู้ที่เป็นคารวาดจึงควรรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นนิดอยู่เสมอและเมื่อหากได้ละเมิดศีลก็ควรกล่าวคำสมาทานศีลเสียใหม่เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจมั่นที่จะสํารวมระวังไม่ละเมิดอีศีลที่บริสุทธิ์มีความสาคัญอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุก็เช่นเดียวกัน หากพระพิสุละเมิดพระวินัยบัญญัติจะโดยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแล้วละเลยไม่แก้ไขให้ถูกต้องก็จะกลายเป็นการกระทาอาจินกรรมดังนั้นพระพิสุจึงควรชาระศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการปลงอาบัติและยืนยันความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไปอันหนึ่งการบริจาคทาน การเคารพ บ, บิดามารดาครูอาจารย์การเจริญพุทธานุสติและการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นต้นที่กระทำประจำทุกวนันก็จัดเป็นอจินกรรมที่มีอำนาจส่งผลปฏิสนธิในลำดับต่อจากครุกรรมอาสนกรรม ในกรณีที่ไม่มีอาจินนกรรมที่ให้ผลกรรมที่กระทำในขณะใกล้ตายจะส่งผลในลำดับต่อมาในคำภีอภิธรรมกล่าวว่าอาสันนกรรมมีอำนาจการให้ผลก่อนอาจินนกรรมแต่อาจหมายถึงเพียงบางกรณีเนื่องจากคำภีอัตธรรได้กล่าวว่าอาจินนกรรมน่าจะมีอำนาจการให้ผลก่อนอสันนกรรม ในที่นี้จึงเรียงอาจินกรรมไว้ก่อนอสัณกรรมอย่างไรก็ตามคำพีทางพุทธศาสนามีปรากฏสาธกยืนยันอำนาจการให้ผลของอสัณกรรมบางอย่างเช่นเรื่องของเพชฌฆาตที่ฆ่าโจรเป็นอาชีพมาตลอดห้าสิบปีแต่เมื่อใกล้จะตายได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสารีบุตรและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ เมื่อตายลงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวประมงที่ตกปลามาตลอดห้าสิบปีในขณะใกล้าตายเขาได้รับสารนคมจากพระจูละปินทปาติกะติสเถระแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกแม้อสานกรรมฝ่ายอากุศลก็มีอำนาจในการให้ผลมากพอกับฝ่ายกุศล มีอุบาสกชาวสิงหลนผู้หนึ่งชื่อว่ามหาวาจากาละได้ปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นเป็นระยะเวลาสามสิบปีโดยไม่ประสบความก้าวหน้าเลยไม่เคยได้เห็นแสงสว่างแม้แต่ครั้งเดียว เขาจึงสรุปความว่าพระธรรมคําสอนของพระศาสดาไม่ใช่หนทางสู่ความหลุดพ้นและด้วยความเห็นผิดนี้ได้ส่งผลให้เขาไปถือปฏิสนธิในเปตะวิสัยหลังจากสิ้นชีวิตการที่ผู้เจริญกรรมฐานแล้วไม่ประสบความก้าวหน้าโดยไม่เห็นแสงสว่างเป็นต้นนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการเช่น กระบวนการปฏิบัติไม่ถูกต้องมีความพยายามที่ผิดหรือมิได้สั่งสมบารมีมาแต่ชาติก่อนมีอาทิในสมัยพุทธกาลพระสุนัขขตะได้เจริญกรรมฐานจนบรรลุทิพยาจักสุยานแต่ไม่สามารถบรรลุทิพโสตเพราะไม่มีบุญบา ร, รมีเพียงพอและเนื่องจากกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แต่ในอดีตชาต ได้ตามมาเบียดเบียนดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรท้อใจหากไม่ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างที่หวังไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องมักจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์เมื่อจิตมีความสงบและบริสุทธิ์จะสามารถอย่างเห็นความแตกต่างระหว่างอารมณ์ที่กาหนดรู้ และจิตที่รู้อารมณ์รวมทั้งความเป็นเหตุเป็นผลกันของสภาวธรรมทั้งสองและการเกิดดับที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วของรูปและนามอีกด้วยในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นแสงสว่างแต่ถึงแม้เขาจะไม่เห็นแสงสว่างอย่างชัดเจนเขาย่อมรู้สึกได้ถึงความปีติปราโมทเป็นต้นเพราะสติปัญญา วิริยะปิติปสัสธิสมาธิและอุเบกขาความวางเฉยเป็นองค์แห่งโพชฌงค์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิปัสนาปัญญาจะเห็นว่าธรรมเหล่านั้นไม่สามารถปรากฏด้วยการพิจารณาใกล้ครวนโดยมิได้ลงมือปฏิบัติแต่อย่างใด กตัตกรรมเมื่อกรรมทั้งสามอย่างข้างต้นคือคารุกามอาจินนารามและอสัญนารามไม่เกิดขึ้นกตัตกรรมย่อมสามารถส่งผลคำว่ากตัตกรรมแปลตามศัพท์ว่ากรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมเพราะเป็นสิ่งที่ถูกกระทาในคำพีวิสุทธิ์ที่มรักษมหานิกาก่าวไว้ว่า กรรมที่ทำไว้ในพบก่อนชื่อว่ากตัตกรรมอย่างไรก็ตามกรรมที่ทำไว้ในพบนี้ซึ่งไม่ได้ทำในขณะใกล้เสียชีวิตและมิได้สังสมไว้เป็นอาจินเพียงเป็นกรรมที่ทำไว้ครั้งเดียวแล้วลืมเลือนไปก็จัดเป็นกตัตกรรมเช่นเดียวกัน